บ2 <Reform times S 1> 48ูสสกิจกรรมระหว่างการพักร้อนอตโตสตกสหาดทรายสะอาดไหมอาร์ปปลูดิมิสชวาสเล่นน้ำที่นั่นได้ไหม Ar t ar e เ g a l i ล a maudytis? l e n n a ่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรืออาร์ n ตนอ a โวยึ่งมาเมาออดิตัสขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับอาร์เชกาลมาสโนมัวติสกิติ u o ซาลิสขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับอาชกา l มาสนมตสลสตมยาปาลดมด ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ g m s n m o t b l t ผมอยากเล่นกระดานโตคลื่น n o r i b n g l e n e ผมอยากดำน้ำ å n o r n a r d t ผมอยากเล่นสกีน้ำ å n o r t t b i e v n d e n s l e d ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับอร์กาลมนวมวดตบังลเลนจ้ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับอร์กาลมาสนวมวดนาร์ดิโมอีรังกขอเช่าสกีดำน้ำได้ไหมครับอร์กาลมาไอสนมนนสเลสผมเพิ่งเริ่มหัด Aš t i กประเด็นที่สิ้สผมพอเล่นได้อชติกสุเกะบุเวดุตินอชเกมผมเล่นได้ดีมาก š a p พีเตียโนเซมานอสกีลิฟต์อยู่ที่ไหนคุริเรสกิจูเคลตุเ u สคุณมีสกีมาด้วยหรือเปล่า อาร์กิ tu ุทุริปั i เซเมส s ัสเ m u s i s l i ลเ s สคุณมีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหมอ tu tu ิ i ตุทุริปั s เซมสพัสเมลจบ